มีอะไรอยากจะถามหอยากจะฟังธรรมะอะไรกกรุณาช่วยขยับหน่อยนะพอดีบางกล้องอขยับหน่ยเรามีถ่ายทอดสดทุกวันไงอ่า น, นทางเฟ e บุ๊กกับยูทูบไปทั่วโลกเลย ม, มีผู้ติดตามอยู่ยี่สิบกว่าประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทย ที่ไปอยู่ต่างแดนแยังคิดถึงธรรมะอยู่ต่างแดนได้ฟังธรรมแล้วมีความอบ อ, อุ่นใจไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวมีคำถามก็ส่งข้อความก็มาถามได้เลยเอันนี้สามารถไปได้ทุกคนทุกแห่งคนก็ติดตามกัน แล้วก็ส่งข้อความส่งคำถามเข้ามาก็อะลยเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ของที่ของใชน้นี้ถ้าเรารู้จักใช้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ถ้าไม่รู้จักใช้ก็เป็นโทษได้ถ้าให้เด็กๆกกไปใช้ไปเล่นกันก็ไปว่ากันไปอ ะ, อะไรกัน เมื่อ ไ, ไ, ไม่นานนี้ก็มีคดีนี่ที่ต่างประเทศเด็กผู้หญิงยุยงให้เพื่อนผู้ชายฆ่าตัวตายผ่านทางาโทรศัพท์นี่แล้วก็ฆ่าตัวตายตามที่ถูกยุยงเพราะคนที่คนนั้นก็เป็นโรคประสาทด้วยแล้วศาลก็ตัดสินได้ว่า ผิดในข้อหาที่ไปทำให้เขาตายถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ลงมือกระทำแต่เป็นผู้เคี้ยวเข็นเป็นผู้ชั่วเชิญบงับงคับก็เลยถูกตัดสินผิดอันนี้ก็เป็นการใช้สื่อในทางที่ผิดนะก็ทำให้เกิดโทษได้ เจอนี่ก็เป็นเหมือนกับงูพิษนะงูพิษนี่มีทั้งคุณมีทั้งโทษงูพิษมีคุณอย่างไรก็เราสามารถเอาพิษงูมาทำเป็นยาได้สกัดพิษงูออกมาแล้วมาทำยารักษาเวลาถูกงูกัดก็ฉีดยากันพิษงูได้คนที่จะสกัดยา กัพิษของงูนี่ก็ต้องรู้จักจับงูถ้าจับไม่เป็นก็ถูกงูกัดตายได้สื่อก็อย่างนี้เหมือนงูพิษเหมือนบีดมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษเนี่ยเราใช้สื่อในการเผยแผ่ธรรมคนที่มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจ พอได้ยินได้ฟังธรรมก็สามารถบรรเทาความทุกข์ใจได้คนคิดฆ่าตัวตายพอฟังธรรมแล้วก็เลิกฆ่าตัวตายได้เพราะธรรมะมีทางออกแต่คนที่ไม่มีธรรมะเวลาทุกข์มากๆไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร ไม่รู้ว่าความทุกข์ของตนเองเกิดจากอะไรแต่พอฟังทมแล้วก็จะรู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงของตนก็คือตัวเองนี่แหละคือแต่ต้องอาศัยธรรมะคาสอนเป็นผู้ชี้อบอกว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากตัวเราเองเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เสียใจทุกข์ใจบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายแต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆพระเจ้าเราจะรู้ว่าความทุกข์ใจต่างๆความไม่สบายใจต่างๆของเรานี้เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้น อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ inch. พอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจแต่ถ้ารู้ว่าถ้าเราเสียใจเพราะความอยากของเราเราก็หยุดความอยากนั่นเสียความเสียใจก็หายไปก็สามารถอยูอ่ ต่อไปได้แต่ถ้าไม่รู้พยายามที่จะทำตามความอยากให้ได้ยิ่งพยายามยิ่งทำไม่ได้ยิ่งเครียดยิ่งเสียใจใหญ่แล้วความทุกข์นี้มันก็จะบีบคั้นจิตใจจนไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปคนที่ซึมเศร้าคนที่ค่าตัวตายก็เพราะ ความเสียใจความสูญเสียในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือความผิดหวังในสิ่งที่อยากได้แล้วไม่สามารถได้ก็เลยทำให้ต้องทำลายชีวิตของตนเองแต่ถ้ามาได้ยินได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเวลาเสียใจก็มาควบคุมใจให้สงบ ทำใจให้สงบสวดมนต์ไปพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเสียใจเรื่องที่เราอยากถ้าเราไม่ไปคิดเดี๋ยวเราก็จะลืมแล้วความอยากกับเรื่องนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหายไปก็จะมีสติสตังมีความ รู้สึกที่เป็นปกติสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นี่แหละนี่แหละคือคุณประโยชน์ของของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจได้ทุกรูปแบบความทุกข์ใจทุกรูปแบบนี้เกิดจากความอยากของเราทั้งหม อยากในลาบยศสรรเสริญอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพอไม่ได้ดำใจอยากก็เสียใจหรือถ้าได้มาแล้วสูญเสียไปก็เสียใจแต่ถ้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นของไม่แน่นอนอันนี้จังไม่เที่ยว มีเจริญได้ก็มีเสื่อมได้มีขึ้นก็มีลงมีมาก็มีไปะฉะนั้นคนที่มีปัญญารู้ความจริงเหล่านี้ก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็ว พวกเราทุกคนก็ต้องทิ้งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไปเวลาเรามาเกิดเราก็มาตัวปเปล่าเราไม่ไดเอาลาบยศเสญเราไม่ไดเอารูกเสียงกลิ่นรสมาแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ไม่ไดเอามาเป็นของพ่อแม่ให้เรามาแล้วต่อไปร่างกายนี้มันก็ต้องแก่ลงไปเจ็บลงไปนในที่สุดมันก็ต้องตายไป แล้วสมบัติต่างๆลาบยศสารเสริญสิ่งต่างๆที่เราได้กันมันก็หมดไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามสอนให้พวกเราระลึกถึงอยู่บ่อยๆเพื่อเราจะได้คลายความหลงคลายความยึดมั่นถือมั่นยึดติดกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง เป็นสมบัติผาดกันชมตำแหน่งนี้ก็เป็นเป็นตำแหน่งที่ผัดกันเป็นเมื่อก่อนตำแหน่งนี้ก็เป็นของคนอื่นตอนนี้ก็เป็นของเราต่อไปมันก็เป็นของคนอื่นไม่มีใครที่จะเป็นเจ้าของได้อย่างถาวรได้ไปอย่างตลอดแต่ถ้าเราอยากจะได้ ของที่เป็นของถาวรนของที่เป็นของเราอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เข้ามาหาในตัวเราเองในใจของเราใจของเรานี้มีของที่เป็นของถาวรนเป็นของแท้ของจริงของเราคือมรรคผลนิพพานถ้าเราอยากจะได้สมบัติที่แท้จริงให้เข้าหาสมบัติภายใน อาอริยสัพเพนี่ยมรรผลนิพพานเช่นโสดาบันสกิดาฆามีอนาคามีอาราหานี้เป็นผลที่เมื่อเราได้แล้วมันก็จะเป็นของเราไปตลอดมันจะไม่เป็นของคนอื่นไปเพราะมันเป็นของที่มีอยู่ในใจของเราไม่มีใครสามารถที่จะแย่งจากเราไปได้ พระพุทธเจ้าท่านก็เคยเป็นพระราชาโอรสท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมหาจากักรพรรดิแต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นมหาจากักรพรรดิเดี๋ยวพอแก่เจ็บตายก็หมดไปพอท่านไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายท่านก็เลยได้สติเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เราพึ่งไม่ได้พึ่งได้เพียงเชั่วเวลาระยะเวลาสั้นๆต่ อ, อร่างกายนี้บมดสภาพไปก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาไปพระองค์ก็เลยส่งไปหาสิ่งที่ไม่มีวันจากพระองค์ก็ท่งค้นพบ สิ่งที่มีอยู่ภายในใจทาระดับต่างๆที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานเป็นธรรมะเป็นเหมือนกับตำแหน่งขั้นต่างๆตำแหน่งขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่มีอยู่ในใจของเราขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิราคามี ขั้นที่สามเรียกว่าอนาคาเมีขั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์ถ้าได้ขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติแล้วไม่ต้องมาไปเกิดในอบายเคยทำบาป ม, มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรก มีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็เหลือชาติเดียวที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ขั้นที่สขั้นพรนะนาคามีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมเป็นพรหมแล้วพอได้ขั้นที่สี่ก็ไม่ต้องไปเกิดเลยไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบในสังสารวัตร ต่อให้กลับมาเกิดดีขนาดไหนมันก็มันก็ต้องสูญเสียไปเพราะทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวกลับมาเกิดเป็นมหาจาักรพรรดิเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไปับมาเกิดเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องแก่เจ็บตายไปยได้ไปเป็นพระอรหันตานี้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป แล้วความสุขของพระอรหันต์นี่ก็เหนือกว่าความสุขของทุกทุกฐานะภาพของมนุษย์ที่จะพึงมีกันความสุขขอ ง, าารกกของพระอรหันต์ี่มากกว่าของพระมหาเศรษฐีมากกว่าของพระราชามหาตศัตร์มากกว่าของมหาจากักรพรรดิมากกว่าของประธานาธิบดีรัมนตรีนา ย, ยกรัฐมนตรี แล้วก็เป็นไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจผู้ครองฐานะภาพเหล่านี้ไม่มีวันตายไม่เหมือนร่างกายที่มาครองฐานะต่างๆที่จะต้องมีวันตายพอตายไปตำแหน่งต่างๆสถานะภาพต่างๆที่มีอยู่ก็หมดไป แล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ถ้าได้ทำบุญก็ได้ไปรับผลบุญในสวรรค์ถ้าได้ทำบาปก็ได้รับผลบาปในอบายพอใช้ผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ เอามาตัวเปล่าๆแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่มาหาทรัพย์มาหาอะไรใหม่ยกเว้นผู้ที่ได้สะสมบุญทาบุญไว้ก็จะมีทรัพย์รออยู่มีบุญนี่เป็นเหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารถ้าเราทำบุญกลับมาเราก็จะมีทรัพย์รออยู่เช่นได้มาเกิดเป็น ลูกของคนรวยลูกของเศรษฐีไม่ต้องไปเริ่มต้นที่ศูนย์เริ่มจากบุญเก่าที่ได้สะสมไว้มาเกิดได้พ่อแม่หาเงินหาทองไว้ให้ก่อนแล้วสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยส่วนพวกที่ทำบาปนี่ก็เหมือนกับไปก่อห น, นี้ไว้พอกลับมาเกิดก็จะกลับมาทุกข์ยากลาบากอันนี้ เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ทรงเห็นทรงเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกอย่างพวกเราและทรงเห็นทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการไปหาทรัพย์ภายในแทนที่จะหาทรัพย์ภายนอก ผู้ที่ออกบวชนี้เขาเป็นผู้ที่สละทรัพย์ภายนอกสละสมบัติภายนอกเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นสมบัติชั่วข้าวอยากจะหาสมบัติที่แท้จริงที่ถาวรก็ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสาวกว่ามันอยู่ภายในรทรัพย์แท้จริงทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของพวกเราอยู่ภายในใจของพวกเราอยู่ อยู่ที่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานักบวชนี่ที่มาบวชกันก็เพื่อที่จะได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็จะได้ทรัพย์สมบัติระดับต่างๆนะัตั้งแต่ระดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปตามลําดับถ้าปฏิบัติไม่หยุดไม่หยุดก็จะจะ พัฒนาจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจากขั้นที่1นึ่งก็ไปสู่ขั้นที่สองจากขั้นที่สองไปขั้นที่สมไปถึงขั้นที่4ี่เราถึงขั้นที่4ี่ก็ได้สมบัติเต็มร้อยแล้วก็สามารถคลองสมบัตินั้นไปตลอดเพราะใจผู้ครองสมบัตินั้นไม่มีวันตายไม่เหมือนกับร่างกายที่ครองสมบัติ ได้ชั่วคราวพอร่างกายถึงเวลาตายก็สมบัติต่างๆก็กลายเป็นของผู้อื่นไปนี่คือเรื่องของธรรมะที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะคิดว่าสมบัติของพวกเราก็คือสมบัติภายนอกที่พวกเราหากันอยู่ในตอนนี้ เราก็เลยต้องทุ่มเทชีวิ ต, ตจิตใจให้กับการหาสมบัติภายนอกกันเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วร่างกายจะไปไหนต่อได้อย่างไรแล้วลใครจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใครเป็นผู้ที่จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อันนี้เราไม่รู้เรามองไม่เห็น ผู้ที่เวียนว่าตายเกิดเราก็เลยอาจจะไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อว่าตายแล้วจะมีที่ไปต่อเมื่อเห็นแล้วกับตาว่าร่างกายนี้มันตายแล้วมันไปที่เมนกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปแล้วอะไรจะไปเกิดใหม่อะไรจะไปรับผลบุญผลบาปใหม่อะไรจะไป คลองสมบัติภายในใจใหม่อันนี้เพราะเราไม่เห็นใจเราคิดว่าใจกับร่างกายเป็นส่วนเดียวกันความจริงใจกับร่างกายนี้เป็นสองส่วนใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเนี่ยตอนนี้ผู้ที่กำลังรู้อยู่นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปนี้กล้องถ่ายรูปเขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายภาพอะไร แต่คนที่คุมกล้องนี่คนที่ดูกล้องนี่รู้ว่าเป็นภาพอะไรร่างกายนี้ไม่รู้ว่ากำลังเห็นอะไรผู้ที่รู้นี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่นผู้ที่รู้นี้เราเรียกว่าใจผู้รู้พอรู้แล้วก็คิดคิดว่าจะเอาภาพนั้นดีไหมจะเอาภาพนี้ดีไหมอันนี้เป็นผู้รู้ผู้คิด ถ้าถ้าจะเอาก็สั่งให้ร่างกายไปหยิบภาพนั้นมาไปหยิบสิ่งนั้นมาเช่นเห็นเสื้อผ้าเห็นว่าต้องการเสื้อผ้าก็สั่งให้ร่างกายไปหยิบเสื้อผ้ามานี่คือร่างกายกับจิตใจเป็นเหมือนฝาแฝดอยู่คู่กันไปด้วยกันทํางานด้วยกันแต่แฝดนี้มี แปดพี่กับแปดน้องแปดน้องคือร่างกายแปดพี่คือใจแปดพี่ก็คือเป็นผู้สั่งให้น้องทำอะไรต่างๆพอน้องแต่แตน้องนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายนี้อยู่ไปได้แปดสิบเก้าสิบปีก็ต้องหมดสภาพไปแต่พี่ผู้สั่งน้องนี่ไม่หมดตามน้องไป พี่นี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญไปรับผลบาปพี่นี่แหละที่จะไปมีน้องใหม่ที่จะไปเกิดใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วก็มาหาทรัพย์กันใหม่นี่คือเรื่องของพวกเราที่เราทำกันอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องจำนวน ร่างกายที่เราเปลี่ยนกันนี้นับไม่ถ้วนเป็นล้านพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เราดูว่าอยากจะรู้ว่าเรามีร่างกายนี้กี่ร่างกายก็ให้นึกถึงว่าในแต่ละร่างกายที่เราได้นี้เราต้องร้องห่มร้องไห้กันเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินี้เราต้องมีความทุกข์มีความเสียใจกันต้องร้องไห้กัน ถ้าเราเอาน้ําตาที่เราร้องในแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันมันมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของร่างกายที่เรามามีกันแล้วก็ยังจะมีอย่างนี้ต่อไปถ้าเรายังหาทรัพย์ผ่านทางร่างกายอยู่หาสินต่างๆผ่านทางร่างกายอยู่มาเป็นสมบัติของเราเราก็ต้องมีร่างกาย ร่างกายอันนี้มันตายไปใจเราที่ยังอยากจะได้ทรัพย์จากทางร่างกายอยู่ก็จะพาให้เราไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแล้วก็ไปไปเรียนหนังสือไปทามาหากินไปหาทรัพย์ต่างๆใหม่ต่อไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเวลาที่เราต้องสูญเสีย สิ่งที่เรารักไปสิ่งที่เราชอบไปนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราทุกคนเราไม่รู้กันว่าเราเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเราไม่เห็นผู้ที่ไปเกิดเราคิดว่าร่างกายนี้พอตายไปแล้วมันก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วใคระจะไปเกิดใหม่ ก็เราเห็นเพียงส่วนเดียวเห็นครึ่งเดียวของของชีวิตเราเห็นร่างกายแต่เราไม่เห็นใจผู้รู้ผู้คิดนี้แต่ผู้ที่เขาศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่งสมาธินี้เขาจะเห็นอีกส่วนหนึ่งเวลานั่งสมาธินี้จิตจะสงบแล้วจิตจะแยกออกจากร่างกายร่างกายจะหายไปจะเหลือแต่ผู้รู้ แล้วเราก็จะเห็นผู้รู้จากการนั่งสมาธิแล้วเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่จะมีทรัพย์ภายในก็คือผู้รู้คือใจนีถ้าใจนี้สามารถหาสมบัติภายในได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาสมบัติภายนอกผู้ที่มาบวชนี่ เขามาหาสมบัติภายในกันมาหาสมบัติด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วเขาก็จะได้สมบัติขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดพอได้ขั้นสูงสุดเขาก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปหาสมบัติภายนอกอีกต่อไปเขาก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิด เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้สละทรัพย์ภายนอกสละราชสมบัติแล้วก็ออกบาเพ็ญออกไปบวชไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปค้นคว้าหาความจริงหาเหตุที่ทำให้มาเกิดหาเหตุที่จะหยุดการกลับมาเกิดเรียกว่าปัญญา ในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าเหตุที่ทำให้มาเกิดก็คือความอยากต่างๆเหตุที่ทำให้เกิดความอยากก็คือความหลงความหลงที่คิดว่าการได้ทรัพย์ภายนอกนี้จะมีความสุขแต่ปัญญาจะเห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่ต้องสูญเสียสมบัติที่ได้มาไป ก็เลยตัดความอยากที meantime, ่จะได้สมบัติภายนอกไปเมื่อตัดความอยากที่จะได้สมบัติภายนอกไปสมบัติภายในก็จะได้ก็จะได้สมบัติภายในมาแทนที่ได้โสดาบันมาแทนที่ได้สกิรดาคามีมาได้อนาคามีมาได้อรหันมาพอได้อรหันก็ได้สมบัติเต็มร้อยได้ความสุขเต็มร้อย ที่เรียกว่าบรลมสุขนิบานำบามังสุขขังนิพพานก็คือใจที่ได้ตัดความต้องการทรัพย์ภายนอกหมดไปจากใจไม่มีความต้องการได้ทรัพย์ภายนอกไม่ต้องการลาบยศสรรเสริญไม่ต้องการเป็นอะไรต่างๆไม่ต้องการมีอะไรต่างๆพอตัดได้ด้วยปัญญาเพราะเห็นว่า ต่างๆที่ได้ที่มีนั้นมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวพะความสุขที่ได้มาหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ก็เลยตัดความอยากที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติภายนอกให้หมดไปจากใจพอความอยากได้สมบัติภายนอกหมดไปจากใจใจก็เลยได้สมบัติภายในแทนได้ความสุขเต็มร้อย ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้ายัางตอนนี้ก็ยังอยู่เพียงแต่อยู่แบบไม่มีร่างกายแต่พวกเรานี้อยู่แบบมีร่างกายกันเพราะเราไม่สามารถมีไม่สามารถหรือไม่รู้จักวิธีหาความสุขภายในได้หาสมบัติภายในได้เราก็เลยต้องออกมาหาสมบัติภายนอกเราก็เลยต้องใช้ร่างกาย มาเกิดมามีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินเหนื่เหนื่อยเมื่อยลาต้องร่ำเรียนหนังสือเพื่อหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มีงานที่ดีมีรายได้ที่ดีแต่ได้มามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมด ถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนหรือพระอริยสงสาวกเราก็จะไม่รู้จักวิธีหยุดการหาทรัพย์ภายนอกแล้วหาแล้วกลับเข้ามาหาทรัพย์ภายในกันแต่ชาตินี้เป็นชาติที่โชคดีของพวกเราที่ได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงได้ยินได้ฟังเรื่องของทรัพย์ภายในนี้กันได้ยินได้ฟังถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะมุ่งไปสู่การหาทรัพย์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเราก็จะหาไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อร่างกายตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนให้เรา เลิกหาทรัพย์ภายนอกกันให้มาหาทรัพย์ภายในกันให้มารักษาสีให้มานั่งสมาธิให้มาเจริญปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมกันถ้าเรารักษาสีได้นั่งสมาธิได้ฟังเทศฟังธรรมได้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดเห็นทุกข์ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ว่าเป็นสมบัติปลอมเป็นทรพัพย์ปลอมไม่ใช่เป็นทรัพย์จริง เมือนถ้าเราได้ทนบับรอดเก้นี่เราจะเก็บเอาไว้เราก็โยนทิ้งไปเพราะเอาไปใช้ไม่ได้ดีไม่ดีอาจจะถูกจับติดคุกติดตารางเอาเงินเก้ไปใช้เราก็ไม่เอากันกันใดถ้าเราได้ปฏิบัติได้รักษาสีได้นั่งสมาธิได้นั่งได้ได้เจริญปัญญาเราจะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทิ้งมันดีกว่าอย่าไปหามันมาหาสมบัติภายในเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติพระพุทธเจ้าเห็นทรัพย์ภายนอกว่าไม่เที่ยงเดี๋ยวท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านก็เลยทิ้งทรัพย์ภายนอกมาหาทรัพย์ภายในพอได้ทรัพย์ภายในก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้จากพระพุทธศาสนาได้รู้ได้รู้เรื่องของของทรัพย์ที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้เราหาความสุขปลอมกันความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์กันหาทรัพย์ปลอมกันหาทรัพย์ที่จะหมดจากเราไปจะกลายเป็นของคนอื่นไป อันนี้เรารู้แล้วว่าทรัพย์ภายในอยู่ที่ไหนก็ขอให้เราลองมาทํากันดูเรามารักษาศีลกันดูวันหยุดทํางานลองมาถือศีลแปดกันดูเรามานั่งสมาธิมาอยู่วัดมาทําใจให้สงบเ้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้หรือไม่ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างไม่ใช่ของเรา ทุกอย่างจะกลายเป็นความทุกข์ไปถ้าเห็นแล้วเราก็จะหยุดหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็จะเอาแต่ทรัพ์ภายในเพียงอย่างเดียวอันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเรามีเวลามาพิสูจน์วันพระนี่พระเจ้าสอนให้เราหยุดทางานให้มาวัดกันมาพิสูจน์ความจริงที่พระเจ้าทรงได้ทรงคนพบ ให้เรามาค้นหาทรัพย์ภายในกันด้วยการถือศีลแปดด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์นั้นจริงหรือไม่เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงจริงหรือไม่เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราจริงหรือไม่ถ้าเรา ศึกษาวิเคราะห์ดูเราก็จะเห็นอย่างที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วเราก็จะได้ยุติการหาของที่เป็นทุกข์กันแล้วเราก็จะได้มาหาของที่เป็นสุขกันที่มีอยู่ในใจของพวกเราแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ถาไม่มีพระพุทธศาสนานี่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอตอนนี้เรามีทางเลือกแล้วเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อก็ได้หรือเราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้อยู่ที่เราออยู่ที่เราจะเห็นว่าอันไหนดีกว่ากันอถ้าเรายังเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าเราก็ยังจะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป แต่ถ้าเราเห็นว่าการยุติการเวียนว่ายตายเกิดดีกว่าเราก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เราจะต้องศึกษาต้องวิเคราะห์ต้องเปรียบเทียบดูว่าอันไหนจะดีกว่ากันไม่มีใครตัดสินใจให้กับเราได้พวกเราเชาวพุทธบางคนก็ตัดสินใจไปทางที่พระเจ้าเลือกไปบางคนก็ยังไม่ไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้อง วิเคราะห์กันเราเองเปรียบเทียบกันเราเองดูกันเราเองเหมือนกับเราไปซื้อของในตลาดเราก็เลือกซื้อสินค้าต่างๆตามที่เราเห็นว่าสมควรกับเราอันนี้ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะตัดสินใจให้กับเราได้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็จะอนุโมทนาให้พ่อน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏจจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะหระสุยะถามะนิโชติ ราโสยถาสัพพิติโยวิวาชาตุสั พ, พรุโควินาสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนาสีริศะนิจังวุธาปจายโนจตารธร ม, มาวัทานติอายุวนโนสุขัง พาลังไว้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทางโลกก็ชั่วคราวทางธรรมก็ถาวรถ้ายังไปทางธรรมไม่ได้ก็าทางโลกก่อนมีอะไรอยากจะํามไนหะ ที่พูดมาไม่ชไม่ชัดเจนสงสัยตรงไหนก็ถามได้ไเช้ามากกว่าที่ผมยังไม่ียสติยังสติยังมันกำลังไม่พอแล้วงานมันเยอะเรื่องมันเข้ามาในใจเยอะกว่าจะเคลียร์มันหมดก็หมดแลงพอดีนะต้องไม่ทำงานชักวันออย่างนี้ วันวันหยุดนี่ลองมาอยู่วัดทั้งวันแล้วมาจเจริญสติกทั้งวันแล้ ว, วลานั่งนี่มันจะสงบได้เพอหนึ่งเรื่องงานก็ไม่มีเข้ามาสองเวลาที่จะควบคุมใจก็มีมากควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดหยุดมันพอมานั่งมันก็จะมีกำลังหยุดได้อย่างรวดเร็วจะสงบได้ง่ายกว่า เปนนของคุณนั่นใช่ไหม้เดชาตัวนี้หายไปไหนไม่เห็นหน้าเล่วงนีงานอะไรงานยุ่งนะสอวตัวผมเองเนตั้งใจว่าเข้สงสารแก่แบบบหลอกกันแต่มันสู้กับตัวแกด้วยยังกลัวมันอยู่อ่ะยังกลัวอยู่ตัวเราใหญ่กวมันต้องหลายเท่าเลยจกันเดียวแค่นี้อยากดีน รมกับนัาธิาอย่าพยายามเจริญสติให้มากๆควบคุมความคิดไว้ายกสแล้วก็อกหนาา่่ือว่าม่้นั่งสมิดห้นๆให้ลกยังไงอันนั้นก็ได้คือให้ฝึกสติไงก็แล้วก็สู้สู้กับความอยากให้นั่งเฉยๆมันอยากจะลุกก็อย่าลุกอันนั้นเป็นการสู้กับความอยากโดยตรงเลย ย, ย, ยังปฏิบัติดีกว่าปีนั้นอ่าดีกำลังสัดงานที่ที่สุดอ่าได้มาเอาซับภายในดีกว่ารับภายนอาเดี๋ยวก็ต้องหมดรับภายในเป็นของเราไปตลอดวันนทางฟเฟรนด์บุ๊ ก, กมาเท่าไหร่ อายุทุกสูงสุด92ค่ะประเทศฟินแลนด์นนี่มีคนมาจากประเทศฟินแลนด์ไม่ทราบมีอยู่ในรายการหรือยังมีครัมีอยู่แล้วเนี่ยมีใน26ประเทศแล้วนี่ยในญี่ปุ่นบอกว่าไปอยู่ต่างแดนไม่มีความสุกเลยแต่ว่าต้องทนอยู่ไปก่อนอยากจะกลับบ้านเพราะว่านี่บอกว่าไม่ไม่มีที่ไหนดีเท่ากับเมือไทยบ้านเรา เราไปอยู่ต่างแดนถึงจะรู้ว่ามันไม่มีที่ไหนเหมือนเมืองไทยเพราะเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธมีมีธรรมะมีมีบุญมีกุศลคนไทยเป็นคนใจบุญใจกุศลมีความเมตตาเมืองนอกเขาไม่มีธรรมะกันเขาก็เลยอยู่แบบตัวใครตัวมัน ไม่ค่อยรู้จักทาบุญกันทาบุญไม่เป็นท่านมีอะไรอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวจะลองให้ทางบ้านเ็าถามกันมีคำถามไหมวันนี้มีชาวต่างประเทศด้วย ไ, <ม>ไม่มี ค, คำถามจากน้องพิมค่ ะ, ะ, ะถ้ามีบุญมากกว่ามีกรรมเราต้องอยู่ในนรกใหม่คะ ถ, ถ้าบุญมากกว่าบาปถ้าบุญมากกว่าบาปเวลาตายไปบุญจะดึงไปรับผลบุญก่อนแต่บาปก็ยังไม่หมดถ้าเกิดบาปมากกว่าบุญเมื่อไหร่บาปก็จะดึงไปทันทีดังั้นต้องพยายามทําบุญให้มากกว่าบาปแล้วก็จะไม่ต้องไปใช้บาปแต่ถ้าบุญน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่ก็จะต้องไปใช้บาปทันที คำถามจากคุณแก๊พค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนจิตหลุดแล้วโดนแส้ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชอยากทราบว่ามันเกิดอะไรคะหลังจากนั้นไม่การนั่งสมาธิอีกค่ะถาออจนั่งสมาธิใหม่ลูกต้องปฏิบัติอย่างไรคะ อ, อ๋อมันสติหลุดไงสติที่ควบคุมจิตมันหลุดจิตนั้นก็เลยเคว้งคว้างเหมือนว่าไม่มีเชือกมันก็ลอยไปใ น, ในอากาศ เหมือนกับเป็นคนที่ไม่มีสติสตังไปถึงต้องไปเข้าหาจิตตะแพทย์ก็ไม่มีสติควบคุมใจฉั้นเวลานั่งสมาธินี้ต้องฝึกสติให้ดีก่อนต้องมีกำลังที่คอยควบคุมความคิดได้ไม่ปล่อยให้ใจคิดล่ยเปื่ อ, อยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องสามารถหยุดได้ ต้องสามารถบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธได้อย่างต่อเนื่องถ้ามีพุโทโธอย่างต่อเนื่องแล้วจิตจะไม่หลุดจิตจะชาเข้าสู่ความสงบเพียงอย่างเดียวการพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวแล้วหายไปเนี่ยเดี๋ยวจิตหลุดละจิตจะไปเห็นนูน่นเห็นนี่ไปคิดนูน่นคิดนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เสียสติไปไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็ก็เป็นบ้าไปได้ ถ้าอยากจะนั่งสมาธิใหม่ก็ต้องมาฝึกสติใหม่ต้องหัดฝึกสติให้มีสติมีพุโทโธอยู่ทั้งวันพยายามบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหารก็พูดโทพูดโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คน น, นคนนั้นคนนี้เราต้องการควบคุมความคิดความคิดนี้เหมือนลิงถ้าเราไม่เอาเชือกลิงมันไว้มันจะวิ่งไปเที่ยวไปเล่นของมันเราก็ไปสร้างความเสียหายต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีเชือกคอยดึงมันไว้มันก็จะไปทำอะไรไม่ได้จิตเราเป็นเหมือนลิงตอนนี้ ถ้าไม่มีสติก็กลุ้มแล้วมันจะมักจะเสียมักจะไปคิดไปเห็นอะไรที่ไม่ดีเราก็ทำให้เสียสติได้เฉะนั้นถ้าอยากจะนั่งสมาธิใหม่ก็ต้องฝึกสติก่อนฝึกสติให้จิตนี่อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ลอยไปกับเรื่องราวต่างๆและเวลานั่งจะปลอดภัยแต่ต้องคอยมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาต้องมีพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลา มาสักการะแล้วเอ่อเหตุการณ์อ่าตอนนี้มีเหตุการณ์ที่บ้านหนูค่ะนู่คือแฟนหนูญาติน้องสาวอ่ะเขาเป็นอมภลึก ห, หรืออาจจะเป็นเจ้าหญิงนิชาไปตลอดชีวิตแฟนหนูก็บอกอเ อ, อ๋ไม่สบายใจจังเลยเจ้าหนูก็เลยพูดธรรมะสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังจากธรรมะบนเขาหรือพระอาจารย์ที่เชื่อประจําว่า <c oughs> หนูก็บอกแฟนว่า สิ่งที่อยากให้ดูไม่ได้ให้รุน้องอยากบอกให้รู้ว่าให้น้องมัเป็นตัวอย่างว่าคนเราอ่ะมันเกิดแ ก, เก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดาเราช่วยเขาไม่ได้ถ้าอยากจะช่วยเขาคุณก็ให้สตางเขาสองแต่ให้ดูหรือว่าบอกแฟนบอกว่าให้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าตอนที่เรายังไหวยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้เป็นอะไรหรนูบอกแฟนว่าให้ทําความดีมีสิ่งนี่แหละสิ่งที่ต้องการแล้วก็ทําบุญค่ะ อ, อย่างนี้พระอาจารย์เจ้าขาบอกพูดถูกไหมเจ้าขถูกแต่ยังถูกไม่หมดนะต้องหัดรู้จักหัดทําใจบ้างหัดควบคุมใจหัดฝึกสติพุทโธพุทโธให้หยุดคิด อ, ถ, ดดอถ้าหยุดคิดถึงเรื่องน้องได้ความไม่สบายใจเกี่ยวกับ น, น้องก็จะหายไปเจ้าคขาโนก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปหัดวาดพระสวดมนต์นะฮะถ้ายัางพุทโธไม่เป็นก็ให้เขาหัดสวดมนต์ทุกคืนก่อนนอน สวดทีละครึ่งชั่วโมงเอล้วจะแล้วเขาจะลืมเรื่องน้องไปแล้วเขาจะรู้สึกสบายใจหลังจากที่เขาสวดไปแล้วให้ก็หัดสวดมนต์ดูสวดมนต์อย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง อ, อย่าเพิ่งอย่าไปสวดแป๊ป๊บแป๊ปแล้วจะมันยังไม่ได้ผลเราั้นสวดไปเรื่อยสวดไปเพื่อให้ลืมไม่ใช่อะไรเราเราชอบไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเศร้าพอเราไปคิดมันก็เศร้า แต่พอเรามาสวดมนต์เราก็ไปคิดไม่ได้เราก็หายเศร้าความเศร้าเกิดจากความคิดของเรานี่ไม่ได้เกิดจากใครหรอกเหตุการณ์ต่างๆเขาก็เป็นของเขาอยู่อยู่อย่อยอยางนั้นอยู่แล้ว ต, ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราไม่เดือดร้อนเราไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวพอเรากลับไปที่ทางานไปเห็นอะไรขึ้นมาใจเราก็ร้อนขึ้นมาทันทีแต่มันก็เป็นอยู่แล้วขนาดนี้เช่นกลับไปตอนนี้บ้านอาจจะไฟไหม้หมดแล้วก็ได้ แต่เราไม่เห็นเดือนร้อนเลยใช่ไหม<อ>เพราะไม่เห็นแต่เียพอกลับไปบ้านเกิดไฟ<ต>ไหม้หมดหนูต้องแนะนําคือว่า<อ>ต้องให้แฟนหนูว่ารู้จักทําใจ<อ>แล้วก็ถ้าเกิดยังทําใจไม่ได้ก็ให้สวมดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วหนูก็บอกเขาหนูเคยบอกเขาค่ะเพราหนูเป็นคนสวมดมนต์เป็นประจําเจ้าค<อ>่ะหลวพ่อเขาบอกว่าวันสวดไม่ได้หนูก็เลยพูดคําว่า เอาอย่างี้ถ้าเกิดสวดมนมไ์ได้รยยาวนักพุดโธสองคได้ไหมหลวงพ่อเจ้าค่าันพูดถูกไหมเจ้าค่ะถูกถูกอา่าสั้นๆก็ได้สวนอาหลังซ้ำมาแต่สวดหลายๆจบสวดไปสักครึ่งชั่วโมงสวดอาหลังสามสามพุโทโธก็กล่าวสว่างข า, าโตสวปฏิปันโน<า>ชีวิตเขาไม่เคยสวดมนต์นะฮะฮาเกินเหล้ายังกินได้เลยทำไมสวดมนต์คั้นี้งา่ายกว่าต้องเยอะๆทำไมสวดไม่ได้เ ในอนุบาล ย, ยังเหมือนก่อ น, นยังมาสอนให้เราฟังเลยน่าจะคิดเกียดมากก่าใช่ไหมครับใช่มันไม่มสนใจออหนูก็เลยแนะนําว่าเอาสองธรรมแล้วกันง่ายๆพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดความคิดนี้แหละที่ทําให้เราเศร้าใจไม่สบายใจถ้าเราหยุดความคิดได้มันก็จะไม่เศร้ามันจะไม่เออแล้วถ้าอยากจะให้มันไม่เศร้าอย่าง <c oughs> ถาวร <c oughs> ก็ปองว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บอย่างนี้นะ เจ็บแบบไห น, น ก, ก็ต้องเจ็บเหมือนกันเน่ะบางคนก็เป็นอัมพึกบางคนก็แขนขาดขาขาดบางคนก็หูหนวกตาบอดมันต้องเป็นอะไรทักอย่างนะต้องยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่เศร้าหนังสือซีดีหยิบได้นะเข้าใจนะนะ แ, แต่ก่อนจะสวดได้ต้องรักษาสีให้ได้ก่อนถ้ากินแล้วเราสวดไม่ได้ไ พอกินแล้วแล้วมันเมามันสวนไม่ออกนะหลวงพ่อเจ้าคะเขาบอกว่าเขาขอเวลาอีกไม่ถึงเจดวันนะคะจะเข้าภาษาแล้วเจ้าค่ะโอ้วดรอบเข้าราษาเจ้าค่ะหลวงพ่อภรษาเขาอดทั้งรรษาเลยเลยเจ้าค่ะโอเคเองเนี่ยอดได้เลยอดได้เจ้าค่ะเขาบอกเขาขอเวลาอีกนิดนึงแล้วแต่ถ้าอยากจะทุกอยากจะทุกก็ทุกไปใช่เอ่านําถามต่อ ทั้งถามจากคุณทำใจเรียนถามเรื่องจิตจิตเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดหรือเปล่าครับตัจิตเองไม่เกิดดับหรอกแต่อาการในจิตมันเกิดดับเช่นความคิดต่างๆมันเกิดแล้วก็ดับความรู้สึกต่างๆมันก็เกิดแล้วก็ดับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดดับเกิดดับแต่ตัวจิตเองตัวรู้นี่ไม่เกิดดับมันรู้ตลอดเวลา เหมือนกับตัวหิ่งห้อยแสงสว่างหิ่งห <accommodations> ้อย <noise> มันเกิดดับเกิดดับแต่ตัวหิ่งห้อยมันไม่เกิดดับเกิดดับตัวหิงห้อยมันก็อยู่ตลอดเวลานอกจากตอนที่หิ่งห้อยมันตายไ ป, ไปท่านนั้นแต่ใจนี้ไม่ตายจิตไม่ตายตัวจิตนี้ไม่เกิดดับแต่ตัวอาการที่ภายในจิตไม่เกิดดับบางทีอาการของจิตเราเรียกว่าจิตเราก็เลยงงกัน นี่ก็เรียกว่าจิตเกิดดับเกิดดับนี่เขหมายถึงอาการของจิตอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตมันเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังนี่เรียกว่าอารมณ์ต่างๆ่างตัวพวกนี้มันเกิดดับเกิดดับมันเกิดมามันรักปั๊บเดี๋ยวมันก็หายฮะเดี๋ยวมันชังป๊อปแล้วมันก็หายนี่เรียกว่าเรียกว่าอาการของจิตแต่เขาพูดสั้นๆเขาไปเรียกว่าจิตจิตเกิดดับเกิดดับ มันก็เลยงงกันตัวจิตจริงๆนี่ไม่มีเกิดไม่มีดับตัวรู้นี่รู้ไปตลอดรู้อยู่ตลอดเวลา <S <S <Jenny> ถ้ารู้นี่มันไม่ตายมันไม่มีเกิดไม่มีดับมันรู้ตลอดเวลาเหมือนแสงอาทิตย์เนี่ยมันอาทิตย์มันมีแสงตลอดเวลาแต่โลกเงาของโลกเราไปบังมันเข้าก็เลยมองไม่เห็นตอนเย็นเราไม่เห็นอาทิตย์เราก็คิดว่าอาทิตย์ตกอาทิตย์ดับไปแล้วอาทิตย์มันไม่ดับหรอกเพียงแต่ว่ามันมี มุมของโลกเรานี่ไปบังทําให้เรามองไม่เห็นดวงอาทิตย์เท่านั้นเองเดี๋ยวพอพอโลกมันเวียนกลับมาเจอมุมที่เห็นก็เห็นอาทิตย์ขึ้นมาใหม่ตลอดตอนที่เรานอนหลับกลางคืนอาทิตย์ก็ยังสว่างสวายอยู่เหมือนเดิมจิตก็เหมือนกันจิตก็รู้มือตลอดเวลาแต่ว่าอาการที่มีในในในจิตเนี้ยความคิดปรุงแต่งความรู้สึกอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเกิดดับเกิดดับ ถามจากคุณวรดาการภาวนาพุโทโธกับยุคหน่อพองหนอเหมือนกันไหมคะแล้วจะภาวนาพุโทโธกับยุคหนอพองหนอสลับกันได้หรือเปล่าคะก็ลองดูเสพมันเหมือนกันอะ่ะมันเป็นอุบายให้เราหยุดคิดไงถ้าเราไม่มีพุโทโธพุธโทโธไม่มียุคหนอพองหนอเดี๋ยวมันก็คิดถึงขนมคิดถึงเพื่อนคิดถึงอ ะ, อะไรต่างๆแล้วมันก็จะเกิดความอยากพอเกิดความอยากมันก็อยู่ไม่เป็นสุข มันต้องไปหาเพื่อนต้องไปกินขนมแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไม่เกิดความอยากเหล่านี้ใจของเราก็จะอยู่เย็นอยู่เฉยอยู่อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องทำอะไรก็สามารถสลับกันได้ถ้าอยากจะทดลองแต่เวลาทําต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะไม่สงบแลสงบไม่เต็มที่ เอามันอย่างเดียวมันจะสงบมากกว่ า, เ, าเดี๋ยวปัญห า, ค, าคือทําอย่างเดียวหมายความว่าถ้าจะยุบหนอก็พองหนอไปเลยเอแต่อตอนนี้นั่งยุบหนอพองหนอก็ยุบหนอพองหนอไปายอย่าไปเปลี่ยนเป็นพุทโธพุทโธไปอพอยุบหนอพองหนอแล้วมาพุทโธนี่คือจะไม่เอามันเดี๋ยวเดี๋ยวพอพุทโธเดี๋ยวกลับมายุบหนออีกว่ากลับไปกลับมาอย่างที่อย่างอย่างพ่อจค้างบางทีหนูรู้สึกว่าพอพุทโธแล้วมันยังไม่หยุดไม่เลี่ยนหว อาหาันมาสวดมนต์ไม่ใจ อ, อย่างนั้นได้ก่อนได้ได้เอแล้วพอพอหนูนิ่มปุ๊บหนูก็จะพุโทโับให้พุโทโอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้ อ, าอา่ามาคำถามจากคุณชมพู่ค่ะถ้าใจเราไม่อยากสวดมนต์แต่เรายังฝืนที่จะสวดต่อและพอสวดก็สวดแบบผิดผิดถูกถกูแล้วเรายังจะฝืนสวดต่อไปดีไหมคะถ้าไม่อยากสวดก็ลองพุโทโธดูสิ ลองพุทธโธดูถ้าไม่อยากพุทธโธก็ลองดูลมหายใจดูถ้าดูยังไม่อยากก็ไปดูทีวีแสดงว่บบาสู้กิเลสไม่ไหวคำถามจากคุณอำนวยค่ะหากรถเกิดอุบัติเหตุและจะต้องเสียชีวิตในวินาทีนั้น <c oughs> ผมจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อมีพกใหม่ที่ไม่ต้องตกไปในอบายภูมิพระบรมศาสดาท่านเคยถ่ายทอดบอกบอกสอนวิธีจบกระได้คอยจนไว้บ้าหรือไม่ครับก็ต้องเตรียมตัวไวไงมันถ้าเราไม่เตรียมตัวไวเดี๋ยวถึงเวลาเราจะไม่รู้จะทําใจอย่างไรก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็หัดพุทโธพุทโธไปเวลาเกิดอุบัติเหตุก็พุทโธพุทโธไปแล้วใจก็จะไปดีใจไปสู่อะ ความสมบหรือไม่งั้นก็หัดปรงไว้ก่อนตายก่อนที่มีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่คิดว่าเราอาจจะตายได้ทุกเวลานาทีเตรียม mm. ตัวตายไว้พอถึงเวลามันก็ปงได้ยอมตายได้มันก็ไปไปไปเป็นอาลยะบุคคลได้ถ้าปงได้ยอมตายได้ก็ไปเป็นโสนาบันได้ต้องเตรียมตัวก่อนเหมือนนักนักชกมวยนักมวย ถ้าไม่ซ้อมก่อนขึ้นเวทีก็โดนเขาะทะลุงยับปุดเพราะเราไม่ต่อยไม่เป็นเราก็ต้องซ้อมก่อนซ้อมก็สอบซายซ้อมกับคู่ชกก่อนพอเราถึงเวลาขึ้นไปเจอคู่ต่อสู้เราก็จะได้พิชิตผู้คู่ต่อสู้ได้ต่อยคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นความตายก็เหมือนเหมือนคู่ต่อสู้ของเรา ถ้าเราอยากจะต่อสู้ใช่ชนะความตายคือเราไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวเราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธหรือนนงั้นก็ใช้ปัญญาก็คือป่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเวลาที่เราจะต้องคืนร่างกายไปคิดว่าร่างกายเป็นเหมือนเหมือนรถยนต์ที่เรายืมเข้ามาก็แล้วกันเ อ, อถึงเวลาก็ต้องคืนเข้าไป ย, ยืมนดเข้ามาใช้ใช้เสร็จก็ต้องคืนเข้าไป ร่างกายพอถึงเวลาตายก็เหมือนคืนเจ้าของไปก็คืนไปอย่าไปหวงอย่าไปอย่าไปลือ้อย่าไปยือ้อย่าไปลังมันไว้อย่าไปเหนียวลังมันไว้มันจะตายไปเลยบอ่อมันยอมตายพูดง่ายๆก็คือบอกถ้ายอมตายแล้วตายใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์ใจจะไปสบายต้องซ้อมก่อนต้องคิดอยู่เบ่อยๆว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตาย ไม่หนีพ้นความตายไปไม่ได้พแลใหญ่คุณสุบัติโสดาบันไงโซดาบันก็เนี่ยไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บยอมตายยอมเจ็บเจ็บเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ไม่กลัวอยู่กับมันได้สู้มันได้ปล่อยวางได้ปล่อยให้มันเจ็บได้ปล่อยวางร่างกายให้มันเจ็บได้เช่นสมมติว่าไปหาหมอหมอหมอฟันเขาจะถอนฟันให้พนนีก็บอกไม่มียาชาถอนแบบไม่มียาชาได้ไหม ถ้าเป็นโสดาบ้นก็เอาเลยปล่อยมันไปมันไม่ใช่เราเอเราเป็นผู้รู้เพียงแต่รู้ความเจ็บแล้วก็ดูไปปล่อยมันเจ็บไปเออหรือไปไปอยู่ที่ไหนไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะต้องตายเช่นไปธนาคารพอดีมีเขามาปล้นธนาคารพอดีจับตัวเราเป็นตัวประกันเนาะเอาเปืนมาจา่อที่ที่ตัวเราแล้วเนี่ย เราก็ปองไว้แล้วอุงจะยิงก็ยิงไปจะตายกูก็ยอมตายยใจยอมรับอริยสัจยอมรับอันนี้จังความไม่เที่ยงของร่างกายยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรายอมรับตายรักมันจะไม่มีความอยากดิ้นต่อสู้ถ้าต้องเจ็บก็เจ็บถ้าจะต้องตายก็ตายนี่คือคุณสมบัติของสวดาบันเพราะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นของง่เป็นของธรรมชาติเป็นของดินงามนุ่มไยค่ะคาถามจากคุณจินดาปัญญากับสติอันไหนสําคัญกว่ากัน อ, อ๋อสติสําคัญกว่าเพราะปัญญาจะเกิดได้ต้องมีสติเป็นผู้นําก่อนมันเข็มกับได้อันไหนสําคัญกว่าจะเย็บผ้านี่อันไหนสําคัญกว่าเข็มกับได้ถ้ามีได้ไม่มีเข็มมันเย็บได้ไหม ยังต้องมีเข็มก่อนเข็มมันจะเป็นตัวนําหรือรถยนต์รถยนต์กับกุญแจนี่อันไหนสําคัญกว่ากันกุญแจรถกับตัวรถยนต์นี่อันไหนสําคัญกว่าอ่ไม่มีกุญแจก็ขับรถไม่ได้อต้องมีกุญแจหายก็รถก็จอดอยู่งั้นรถจะวิเศษขนาดไหนดีขนาดไหนราคากี่ล้านกี่แสนก็เป็นเหมือนเศษเหล็กใช่ไหมจอดอยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ได้แต่ถ้ามีกุญแจก็เปิดเข้าไปขับรถไปได้เลย สติก็เป็นเหมือนกุญแจสำหรับเปิดใจปัญญาก็เป็นสำหรับเป็นตัวที่ไปชำระสิ่งสโปรกต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปสติอย่างเดียวชำระไม่ได้แต่ถ้ายังไม่เปิดเปิดใจเข้าไปปัญญาก็เข้าไปทำงานไม่ได้เะงั้นก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องมีสติก่อนสติเป็นเหมือนเหมือนกับเปิดเป็นกุญแจเปิดบ้านเราเนี่ยเราจะเข้าไปทำความสะอาดบ้านเนี่ย บ้านมีนสโกระก ล, กลกนุงลังเราก็ต้องใช้กุญแจเปิดประตูบ้านพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเราก็เอาเครื่องม้เครื่องมือที่จะไปทำความสะอาดบ้านเข้าไปปัญญาเป็นเครื่องมือชาละใจชาระกิเลส ต, ตังหาให้หมดไปจากใจกิเลสชาระไม่ไ ด, ไได้แต่ปัญญาถ้าไม่มีสติก็ทำงานไม่ได้ยันพุทธเจ้าบอกว่าทำที่สำคัญที่สุดคือสติ สตินียิ่งใหญ่ที่สุดท่านเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่เป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหมดในป่าไม่มีสัตว์อันไหนจะมีรอยเท้าใหญ่กว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวิมุติตามมางนั้นต้องฝึกสติให้มาก ถ้าเป็นเหมือนเรียนหนังสือก็ต้องกอไก่ขอไข่เนี่ยสาคัญไนหะถ้าต้องกอไก่ขอไข่ไม่เป็นก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้งั้นตอนต้นต้องหัดท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนต้องหัดนับหนึ่งสองสามให้ได้ก่อนถึงจะสามารถคิดเลขได้จบคำ ถ, ถามจากคุณกันการที่เราไม่อยากได้เราต้องมีปัญญาเห็นผลของความอยาก ว่ามันเป็นทุกข์ไม่สมอยากก็ไม่ใช่สุขแท้เป็นเพียงทุกข์ละเอียดมันไม่เที่ยงสักพักก็อยากสิ่งใหม่ต่อไปอความอยากจึงเป็นทุกข์แต่คนเราจะมีปัญญาเห็นจริงแท้ตามนี้ได้ต้องมีสมาธิได้ความสงบแล้วจึงสามารถพิจนารณาเห็นความจริงนี้ได้กรผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับใช่ต้องมีสมาธิเพราะนอกจากจะเห็นความจริงแล้วยังมีกาลังที่จะหยุดความอยากได้ เพาสมาธิให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าถ้าเรามีความสุขที่ได้จากสมาธิแล้วเราก็จะทิ้งความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เพราะเราจะเห็นว่าหนึ่งมันสู้ความสุขที่เรามีอยู่ในสมาธิไม่ได้สองมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันจากเราไปแต่ถ้าไม่มีสมาธิมันเลอกไม่ได้ยังไงยังไงก็ยังดีกว่าไม่มีเลย ยังนะถึงแม้มันจะจากเราตอนนี้ก็ขอสุขกันไปก่อนเนี่ยขอเที่ยวกันไปก่อนเดี๋ยวแก่แล้วค่อยว่ากันใหม่ <c oughs> ตอนนั้นก็สายกันไปแล้วตอนนั้นก็อยากจะฆ่าตัวตายนะแต่ถ้ามีสมาธิมันมีความสุขในตัวของมันความสุขที่ได้จากสมาธินี่พระพุทธเจ้าบอกเหนือกวบความสุขทั้งปวงนาติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบก็คือสมาธิพอได้สมาธิจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้อยากมีอยากทำกันเราก็เลิกทำได้ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปแต่ถ้ามันไม่มีความสุขในใจมันก็ยังอดไม่ได้อย่างอดไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ขอสุกก่อนแหลจะทุกข์ค่อยว่ากันทีหลัง เมันซื้อของกันทุกวันเนี่ยซื้อแบบใช้บัตรเครดิตใช่ไหมมีจ่ายไม่จ่ายไม่รู้ล่ะครูขอซื้อก่อนนั่นแหละแล้วถึงเวลาจะต้องจ่ายจ่ายไม่จ่ายก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วก็ไปทุกขกันตอนนั้นแต่ตอนนี้มันอยากได้ใจสั่นอ่ะมันจะไปหยุดได้ยังไงยังไงแต่ถ้ามีสมาธิมันใจมันไม่สั่นใจมันเฉยเฉยไม่ได้มันเป็นไรฉันสบายอยู่แล้วนะ ยังต้องมีสมาธิก่อนถึงจะใช้ปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพคำถามจากคุณพัชราค่ะเมื่อวานไปผ่าตัดก็พุดโทไว้ตลอดค่ะมาสะดุ้งสุดตัวตอนหมอูงยาใช้เข็มหาเส้นเลือดค่ะพุดโทหายไปเลยหันมาพิจารณาเส้นเลือดหนังแทนจิตสงบลงต่อถูกต้องไหมคะวันนี้เจอเนื้องอกหลายก้อนแต่จิตแต่จิตโยมสงบแค่ไหนแค่นั้นเจ้าค่ะ ดีถ้าจิตสงบก็ใช่ได้ทำทั้งหมดนี้เพื่อให้จิตสงบพอสงบแล้วมันสุขมันไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นยังไงเราก็ไปห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามวิถีของมันแต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้สงบคำถามจากคุณบีบีค่ะ นิพพานทำมีอยู่ก่อนเองแล้วหรือแต่ละพระพุทธเจ้าหรือแต่ละพระอรหันต์เป็นผู้สร้างขึ้นมาใหม่ให้นิพพานค่อยๆขยายใหญ่โตกว้างขวางขึ้นครับ อ, อ๋อนิพพานนี้มันเป็นสภาพของจิตที่เปลี่ยนจากออจากโสกโปกกายเป็นจิตที่สะอาดจิตของเราตอนนี้โสกโปกด้วยโมหะอวิชากิเลสตัณหาอันนี้เป็นของโสกโปกที่ทําให้ใจเราเศร้าหมองทําให้ใจเราทุกข์กัน พอเราได้สติได้ปัญญามาชำระกําจัดสิ่งสโปรปกต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็กลายเป็นนิพพานขึ้นมายันนิพพานนี้ยังไม่มีในใจของพ ร, พ, พระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้บรรลุตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะยังไม่มีนิพพานใจยังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาอยู่แต่หลังจากออกบังเพนปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องชำระ กำจัดสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในใจพอกำจัดไปได้หมดจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จิตสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่านิพานเท่านั้นเองคำว่านิพานนี้แปลว่าจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เวลาเันสกปรกเราก็ไปซักมันพอซักเสื้อผ้าก็สะอาดขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันจิตของเราจิตของพระเจ้าเหมือนกันหมด ต่างกันที่ตอนนี้จิตของพระเจ้าได้ทําความสะอาดหมดแล้วจิตของพวก เ, เรายังไม่ได้ทําความสะอาดกันเพราะเรายังสะสมเศษสกปรปกกันอยู่เรายังโลภยังโกรธกันหลงยังกันยังอยากกันอยู่มันก็เลยไม่สะอาดเสียทีงานก็ชําระสียทีนึงมาทําบุญซะหน่อยมารักษาศีลกันพักๆสองสามวันพอหอมปากหอมคอแล้วเดี๋ยวเรกลับไปโลภไปโกรธไปหลงกันใหม่ การไปทำให้มันสก็เปิดเพิ่มขึ้นใหม่เองเนี่ยคบถามจากคุณสงศ์การเจริญในทางธรรมจะช่วยส่งเสริมการทำงานทางโลกให้สำเร็จได้อย่างไรครับอ๋อก็ถ้ามีสตินี่ทำงานมันก็ไม่ผิดพลาดถ้ามีปัญญามันก็จะฉลาดทำงานได้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์แต่คนที่ ได้ได้สติได้ปัญญาแล้วมักจะไม่อยากจะเอาไปใช้ในทางโลกพอะเห็นผลที่ได้รับจากทางโลกมันเป็นผลชั่วคราวมันไม่คุ้มเหนื่อยซึ่งเอาไปใช้ในทางธรรมดีกว่าเอาไปใช้ในการมในการชำกกระกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆดีกว่าเพราะมันได้ผลประโยชน์ที่ยาวนานกว่าคําถามจากมนุษย์คือส่วนหนึ่งตอนนี้ความรู้ทางโลกลูกค่อนข้างเยอะ ลูกจะมีลูกจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรให้เอาความรู้ชุดเก่าออกไปและเอาความรู้ทางธรรมเข้ามาในชีวิตครับเ ร, เรากําจัดมันไม่ได้ละความรู้เก่ามันก็มีอยู่เราเพียงแต่อย่าไปใช้มันท่านเองอย่าไปคิดถึงมันเรามาหาความรู้ใหม่คิดถึงความรู้ใหม่ความรู้ของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เราคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วย ตามหลักความเป็นจริงคิดว่าทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้ไปสวรรค์ทำบาปได้ไปนรกอย่างนี้หรือให้มาคิดถึงสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราก็จะทำให้เราทุกข์เรามาพิจารณาอย่างนี้ดีกว่าพิจารณาสิ่งต่างๆที่เรามีตอนนี้เช่นลาบยศสารเสริญว่ามันไม่เที่ยง เดี๋ยวสังวันหนึ่งก็ต้องเสื่อมหรือต้องมีการพัดภาคจากกันพอเวลาเกิดพัดภาคจากกันก็จะทุกข์ทุกข์เพราะอยากไม่พัดภาคจากกันแต่ถ้ารู้ว่าต้องพัดภาคจากกันแล้วไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมรับความจริงไม่เกิดไม่มีความอยากให้ไม่พัดภาคจากกันก็จะไม่ทุกข์สร้างปัญหาสร้างความรู้ใหม่เข้ามากบความรู้เก่า แต่ความรู้เก่านี้เราก็บางบางอย่างเราก็อาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสู้แล้วท่านก็บรรยคุความรู้เก่ามาใช้ในการสั่งสอนเวลาสั่งสอนชาวนาท่านก็ความรู้ของชาวนามาสั่งสอนว่าวิธีทานาทำยังไงวิธีทำใจก็เหมือนกับการทำนาเช่นการเจริญสติก็เหมือนกับการคลาดดิน ทำต้องคาดให้มันแบบว่าไม่มีอะไรไม่มียาไม่มีอะไรสติก็ต้องทำแบบนั้นปัญญาก็ต้องทำแบบนั้นท่านก็สามารถเอาความรู้ทางโลกมาใช้ประโยชน์ในการสั่งสอนธรรมะได้คำถามจากคุณต้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เล่าข้อวัดปฏิปทาตอนไปอยู่วัดป่าบ้านตากให้ฟังหน่อยครับ ไว้วันหลังก็แล้วกันนะวันนี้ขอข อ, ขอตอบปัญหาดีกว่าะคําถามจากคุณสิอิ้วค่ะทำบุญโดยการจักบาทรพระสง์กับการถวายสังฆทานได้บุญมากกว่าการนั่งปฏิบัติภาวนาไหมครับที่ถามพระอาจารย์เพราะผมไม่มีเวลาครับอ๋อมันเป็นบุญคนละอย่างกันเนี่ยบุญที่เกิดจากการใส่บาตรสังฆทานมันก็เป็นบุญอย่างหนึ่งต่างกับบุญที่ได้จากการนั่งสมาธิภาวนา เพราะอันนี้สผลตอบแทนมันไม่เหมือนกันถ้าเราทําบุญทําบุญถวายทานเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธ น, นาคารชาติหน้าเรากลับมาก็จะมีเงินรอเราอยู่แต่ถ้าเราไม่ทําบุญเรแต่นั่งสมาธิชาติหน้ากลับมาก็จนแต่เราจะนั่งสมาธิเก่งก็ไปบวชได้อันนี้สองมันต่างกัน องถามจากคุณเพ็งจันทร์การปฏิบัติในระหว่างวันขนาดทำงานสามารถทำได้โดยการรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมเจ้าคะอ่าใช่ให้ใจอยู่กับงานที่เราทำอยู่อย่าใจอย่าปล่อยให้ไปที่นั่นที่นี่ให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เฝ้าดูมันถ้าไม่คิดได้ยิ่งดีให้รู้เฉยๆถ้าจาเป็นจะต้องคิดก็คิดว่ามันเป็นตายลักไปจะได้ไม่ยึดไม่ติดนั่น ทาได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเข้าถามจากคุณสอนการสละดของที่เรารักมากเช่นสามีเราตอนสละมันทุกข์มากแต่ใจลึกๆก็บอกว่าเป็นการทำทานจะบอกใจยังไงครับไม่ให้หวนคืนไปเอาสามีที่เราปล่อยแล้วเพราะสติมันอ่อนมากกลัวกลับไปเอาคืนค่ะ <laughs> ก็มองสามีว่าเป็นสร้างศพเลยถ้าสมมติเวลาสามีตายแล้วนี่เราสับเปรเ่านี่เรายินดีให้เขาไปไหมตายเขาตายแล้วเรายังอยากจะเก็บเขาไว้อยู่ในบ้านยไหมก็ดูว่าสามีเราก็เป็นเหมือนสร้างศพเพียแต่ตอนนี้ยังหายใจได้เท่านั้นเองพอหยุดหายใจเมื่อไหร่แล้วนี่ใครจะเอาไม่ไม่อยากจะไปเอากลับอะไรไหม <laughs> เวลาสับปเปล่มารับไปนี่ยังอยากจะกลับไปรับกลับมาคืนน่ะวะ ดันั้นพยายามมองสามีให้เป็นซากศพไปให้ได้ว่าในที่สุดเดี๋ยวเขาก็ต้องกลายเป็นซากศพไปตอนนี้เราก็อยู่กับซากศพที่หายใจได้ท่านเองหรือลองดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเขาดูมีอยู่ใต้ใต้ผิวหนังเขาดูนับตั้งแต่โครงกระดูกลงมาเนี่ยกระโหลกศีรษะนี่โครงกระดูกบอร์ดหัวใจตับลำไส้กระเพาะ นอกจากนั้นยังมีน้ําอะไรต่างๆอีกน้ำปัสสาวะอ่อุจจาระอะไรมีอยู่ในตัวของสามีที่เรารักเราห่วงเราอยากจะได้ของพวกนี้หรือได้เขาก็ต้องได้ของพวกนี้มาด้วยนะเอามั้ยของแถมได้สามีแล้วก็ต้องได้ลําไส้เขาด้วยได้อุจจาระเขาด้วยได้ปัสสาวะเขาด้วย <laughs> คําถามจากคุณลาวันค่ะ จิตจะว่างอย่างถาวรจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องมีสติหยุดความคิดแล้วก็มีปัญญากำจัดความอยากให้หมดไปคำถามจากคุณขุนศึกค่ะกระผมตื่นนอนทําวัดเช้าแต่กระผมล้างหน้าอย่างเดียวไม่ได้อาจน้ำกลัวเสียเวลาขอรับอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับไม่บาปเนาะก็ยงแต่ร่างกายจะเหนื่อหน่อยอนั่นเอง คาเห็นของร่างกายไม่ถือ ว, ว่าเป็นบาปนะคำถามจากคุณวันยิสาดิฉันเป็นหมอเด็กเคยมีประสบการณ์หลายครั้งในการคุยกับญาติคนไข้เพื่อตัดสินใจในการยุติการรักษาคนไข้ที่มีอาการหนักมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือถ้าหากรอดก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมามากมายเพื่อตกลงเรื่องการยุติ ร, รักษาคนไข้ในการคุยแต่ละครั้งก็เกิดความสงสัยว่าถ้าเราพูดจะบาปไหม ในการพูดเพื่อให้พ่อแมูุ่ติการรักษาคนไข้เพื่อให้คนไข้เสียชีวิตในไม่ทรมานต่อไปเราก็ไม่ควรที่จะไปไปแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งเราบอกตามความเป็นจริงได้ว่าถ้ารักษาแล้วก็จะได้ผลอย่างนี้ถ้าไม่รักษาก็จะได้ผลอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้หนักไปทางใดทางหนึ่งควรจะปล่อยให้เป็น เป็นความตัดสินใจของพ่อแม่ของคนไข้เองจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปโน้มน้าวเขาก็เป็นการไปเราอาจจะอาจจะแนะนําไปในทางที่ไม่ถูกก็ได้เราควรจะพูดไปตามเนื้อผ้าก็พอรักษาแล้วก็จะได้อย่างนี้ไม่รักษาก็จะได้อย่างนี้ก็ขอให้เขาตัดสินใจเอาเองเหมือนที่เมื่อกี้เทศให้ฟัง จะไปเวียนไหว้ตาเกิดต่อไปก็ได้จะไปนิพพานก็ได้แต่เราไม่สามารถที่จะมาโน้มน้าวให้ไปทางใดทางหนึ่งก็ให้ตัดสินใจเอาเองให้วิเคราะห์อเอาเองว่าทางไหนจะดีกว่ากันการไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายหรือการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็เป็นทางเลือกของชาวพุทธเรา คำถามจากคุณตันชัยมีคำถามจากคำเทศของพระอาจารย์เรื่องเนื้อนาบุญเลยมีความคิดว่าอยากจะทําบุญกับพระริยาผู้ปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแทนที่จะไปริจักกับโมูลนิธิเพราะจะได้บุ ญ, บ ญ, บญผลบุญกุศลมากกว่าคิดแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะคือบุญกุศลที่เราจะได้จากเนื้อนาบุญก็คือธรรมะที่เราได้ฟังกันนี้ ซึ่งสมาลนี้เราไม่ต้องทำบุญก็ได้เนี่ยเปิด u t u b e แล้วก็เราก็ได้ได้ปัญญาได้ความรู้โดยที่เราไม่ต้องมาทำบุญกับเนื้อนาบุญก็ได้เราทำบุญกับบุญนิติไปแล้ว<ป>เราก็มาเอาบุญจากพระสงฆ์ <apprentices> องค์เจ้าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากว่าถ้าเกิดพระสงฆ์องค์เจ้าท่านเดือดร้อนมีแต่คนมาฟังเทศแต่ไม่มีใครมาทาบุญ <_ s 4> <_' co lly> <Canvas> อันนี้เราก็ต้องดู ความเหมาะสมเ ร, เรื่องเรื่องข้าวของเงินทองนี่สมมติว่าถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านได้รับมามากกว่าที่ท่านจะใช้ได้ท่านก็เอาไปช่วยตามมูลนิธิตามสถานที่เขาขาดแคลนเดือดร้อนต่อไปอย่างน้องตามาอบวัมีคนมาทําบุญกับท่านมากเพราะเขาเชื่อว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญเขาพอเขามาทําแล้วขอได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยสมัยก่อนไม่มีสื่อแบบนี้ ที่สามารถฟังธรรมได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมาทาบุญกับท่านเขาก็เลยมาทาบุญกับท่านแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากท่านเขาก็ได้ธรรมะที่ดีไปแล้วท่านก็ได้เงินมาที่เงินนี้ท่านก็ไม่สามารถเอามาใช้ในวัดได้หมดท่านก็เลยเอาไปสงเคราะห์โลกช่วงแรกๆท่านก็ไปช่วยตามโรงพยาบาลต่างๆซื้อเครื่องม้เครื่องมือซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ต่อมาก็มีปัญหาเรื่องอทองคําเรื่องอะไรเศรษฐกิจก็เลยต้องมาให้มาช่วยกันบริจากทองคาเพื่อเอาเงินเข้าคลังหลวง อ, อันนี้ก็ท่านก็ทําเพื่อประโยชน์ของของสังคมตัวท่านเองท่านก็ไม่ได้เลยแต่คนที่มาถวายทองถวายเงินกับท่านก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไป เ, เขาก็มีความสุขและก็มีความมั่นใจ ว่าเงินทองเงินที่เขาทำบุญนี้ไม่สูญเปล่าไม่ถูกเหลือกินไปบางทีไปทำบุญกับบางแห่งนี่มันมีรอยรั่วแทนที่จะไปถึงเป้าหมายของที่เขาต้องการให้ไปมันมันหายไปตามทางอันนี้เขาก็เลยบางทีไม่มีความมั่นใจก็<ม> เ, เลยบางทีก็เลยเลือกทำกับพระที่มีศีลมีสัจเพราะเขามั่นใจว่าเงินทองไม่สูญหายไป ทุกบาททุกสตางจะได้ไปเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ข้อที่สองถ้าต้องการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุพระโสดาบาันในชาตินี้ถือเป็นกิเลสอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะเราควรปฏิบัติโดยไม่หวังผลอะไรถูกหรือเปล่าคะไม่ถูกแร้วไม่เป็นกิเลสแล้ว เ, เราทําอะไรเราก็ต้องหวังผลเราต้องรู้ผลที่จะทําว่าได้อะไร ถ้าเราไปเรียนหนังสือเราก็รู้ว่าเราต้องการเรียนจบใช่ไหมถ้าเราเรียนแบบไม่สนใจว่าจะจบไม่จบบางทีมันก็ไม่จบเพราะเราไม่ตั้งใจเรียนดังนั้นเราก็ต้องมีเป้าหมายของการกระทําของเราเช่นเราทําบุญนี้เราก็รู้เป้าหมายว่าตายไปก็ไปสวรรค์อยา่างนี้เราไม่อยากไม่อยากมันก็ไปนะ่ะเพราะเหตุมันจะพาให้เราไปเังนความอยากแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นกิเลส มันเป็นความอยากที่ตรงกับความเป็นจริงถ้าอยากจะไปถ้าไม่อยากเป็นโสวดาบันมันก็ไม่ไปปฏิบัติที่จะทําให้เป็นโสวดาบันเหมือนกับคนที่ไม่อยากได้ปริญญาตรีเขาก็ไม่ไปเรียนหนังสือให้เสียเวลาเพราะเขาไม่อยากได้ปริญญาตรีเรียนไปทําไมแต่ถ้าเขาอยากได้ปริญญาตรีเขาก็ต้องไปเรียนถึงข้อถึงจะได้แต่ถ้าอยากเฉยๆต้อง ไ, ไปเรียนอย่างเงี้ยถึงได้ว่ากิเลสไ่้ไหม อยากแล้วแต่ไม่ไปเดียนี้เรียกว่ากิเลสแต่ถ้าอยากแล้วไปทานี่ไม่เป็นกิเลสอยากไปสวรรค์แล้วไปทาบุญนี่ไม่เป็นกิเลสอยากไม่ไปอบายแล้วหยุดด้วยการรักษาศีลไม่ทําบานี่ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากเฉยๆนี่ยเป็นไม่อยากไปอบายแต่กินเหล้าเมายาโกหกหลอกลวงนี้ไอ้นี่เป็นกิเลสคำถามจากผู้วิปงาสออกนามค่ะ จะต้องทําใจอย่างไรจึงจะไม่ไปรักผูกพันกับคนที่มาพูดดีทำดีกับเราค่ะก็ล้อถือว่าเขาไม่เที่ยงไงวันวันข้างหน้าเขาอาจจะด่าเราก็ได้หรือว่าเขาอาจจะตายจากเราไปก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอนรักกันวันนี้พรุ่งนี้อาจจะโกรธกัรเกียดกันก็ได้ถ้าเราคิดเผื่อว่าอย่างนี้เราก็จะได้เฉยเฉยจะรักเขาก็ไม่กล้ารักจะชังเขาก็ไม่กล้าชังเฉยเฉยดีกว่า คนที่ไม่ดีเราไปชังเขาเดี๋ยววันข้างหน้าก็อาจจะมีมีมีตำแหน่งมีอะไรที่เราต้องพึ่งพาสายเขาก็ได้ถ้าเราไม่ไปชังเขาพอเขาเป็นใหญ่เป็นโตเราก็อาจจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้คิดว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนเราจะได้ทําใจเฉยๆเป็นกลางดีกว่าไม่รักไม่ชังใครดีกว่าพอถึงเวลาจะคบกันก็ยังคบกันได้แต่เวลาที่ไม่ต้องคบกันก็ไม่ต้องคบกันก็ได้ ได้คิดถึงความไม่แน่นอนต่อไปคำถามจากคุณรุ่มเรืองค่ะการภาวนาเราต้องนั่งสู้เวทนาให้ได้ใช่ไหมครับก็ อ, อันนี้ก็เป็นเป้าหมายเป็นข้อสอบที่เราจะต้องผ่านเพราะถ้าเราผ่านเวทนาได้เราก็จะได้เป็นโสามันได้เราต้องยอมรับคือไม่ได้ไปสู้แต่ เ, เราต้องยอมรับมันให้ได้ต้องรักเขาให้ได้อย่าไปเกลียดเขา ตอนนี้เราเกลียดทุกขเวทนากันทุกคนใช่ไหมเห็นหน้ามันทีไรปัดมันทิ้งทุกทีเลยต่อไปเราอย่าไปปัดมันเจอมันก็ยิ้มทักทายมันสบายดีเหรออมาแล้วเหรอเออมาก็มานะอะอยู่ก็อยู่นะอจนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ้มรับมันอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแนละ้วอตอนนี้ต้องเป็นหวัดแล้วต้เป็นก็เป็นเราก็สามารถมีความสุขอยู่กับการเป็นหวัดได้ที่เราทุกกันก็เพราะเราลังเกียจมันะ พอมันมาแล้วโอ้โหไม่อยากเลยไม่อยากให้มันมาเลยอยากให้มันหายไปเร็วๆเราก็เลยทุกกันขึ้นมาแล้วเราต้องหัดฝึกให้อยู่กับทุกขเวทนาให้ได้ที่พระเจ้าสอนให้พระอยู่แบบอดอยากขาดแคลนลำบากลำบนนี่ก็เพื่อให้ฝึกให้ได้อยู่กับทุกขเวทนาแล้วก็สอนให้นั่งสมาธินานๆเวลาเจ็บก็อย่าไปลุกอย่าไปขยับหัดทําใจให้ให้ขยับที่ใจอย่าไปขยับที่ร่างกาย ขยับที่ใจที่มันต่อต้านให้มันอย่าต่อต้านความเจ็บให้มันเฉยๆด้วยการใช้พุทโธพุทโธหรือด้วยใช้ปัญญาสอนว่าเราหนีมันไม่พ้นหรอกมันเป็นเงาตามตัวเรามันมาก็ปล่อยมันมาดีกว่ายิ่งหนียิ่งทุกข์ใหญ่ถ้าไม่หนีแล้วมันจะไม่ทุกข์จะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการนั่งเพื่อให้มันเจ็บแล้วก็ให้อยู่กับมันให้ได้เหมือนกับเราต้องอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเนี่ย ถ้าเราทำใจได้เราก็อยู่กับเขาได้แต่ถ้าเราทำใจไม่ได้เจอเขาที่ไรก็อึดอัดอึดอัดอยากจะกำจัดเขาอย่างเดียวเราดีไม่ดีอาจจะทาให้เราต้องไปทาบาปไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามาทำใจว่ายอมรับว่าไ ง, งาเขาก็ต้องอยู่กับเราเขาเป็นเหมือนกับเป็นเงาตามตัวเราต้องอยู่ด้วยกันก็มาลักกันไม่ดีกว่านะมาเกลียดกันทำไมหาขนมมาให้เขาดีกว่า มีอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาเดี๋ยวทาไปทำมาเราอาจจะรักเขาชอบเขาขึ้นมาก็ได้เหมือนกับเวทนาเนี่ยหัดรักมันถ้าชอบมันล้วต่อไปมันก็จะไม่ไม่ไม่ทุกข์ที่ตอนนี้เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบทุกข์กัเวทนาเราอยากให้มันหายอยากยังไงมันก็ไม่หายใช่หไหมงั้นอย่าไปอยากดีกว่าอยู่กับมันดีกว่ารักมันได้ยิ่งดีมื่นคนที่กินพริกเนี่ย คนที่ไม่ชอบกินพริกนี่วลาเจอพริกนี้เป็นไงโอ้โหทรมานไหมเผ็ดนะแต่คนที่ชอบกินพริกนี้เ่ว่าถ้าไม่มีพริกกินรู้สึกไม่อร่อยเลยนะกินกี่เม็ดก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรกับในความสุข เ, เพราะเขาชอบพริกไงชอบกินพริกเนีเผ็ดขนาดไหนเขาก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนนะี่แหละเป็นการปรับใจใจนี้สามารถรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราสอนมันให้มันรับ บางนิสัยเรามันชอบเลือกที่รักมักที่ชังกันเนี่ยพอเจอของชังก็ชังสุดๆเลยแล้วเจอของรักก็รักสุดๆเลยรักก็เลยทุกข์ทั้งรักทั้งชังเวลารักแล้วไม่ได้ก็ทุกข์เวลาหรือว่ารักแล้วเสียของที่รักไปก็ทุกข์อีกเวลาชังเจอของที่ชังก็ทุกข์เวลาอยากให้มันไปมันไม่ไปก็ทุกข์อีกเรามาปรับใจให้เราอย่าไปรักอย่าไปชังให้เราอยู่เฉยๆกลางๆจากแต่ว่ารู้ อุเบกขาอุเบกขาจากการทําใจให้นิ่งวิธีจะให้นิ่งก็พุโทโธไปเวลานั่งแล้วเจอความเจ็บก็อย่าไปคิดถึงความเจ็บให้คิดอยู่กับพุโทโธถ้าอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็จะไม่สนใจกับความเจ็บมันก็จะปล่อยความเจ็บให้มันเจ็บไปตามเรื่องของมันใจอยู่กับพุโทโธใจมันก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าพอมาคิดถึงความเจ็บปั๊บก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากให้มันหายอยากจะลุกมันก็เลยทําให้ทุกข์ขึ้นมาในใจ คำถามจากคุณติใหญ่ผมชอบคิดในใจในสิ่งไม่ดีตลอดแต่ไม่ได้อยากจะคิดเลยครับทำไมถึงเป็นครับเพราะสัญญาณเรามันเป็นอย่างนั้นนะแต่เราชอบคิดอะไรมันก็จะคิดไปในทางนั้นเราต้องแก้มันตอนต้งก็หยุดมันก่อนเหมือนกับเราขับรถนี่ถ้าเราขับไปในทางผิดเราอยากจะกลับรถเราทำไงเราก็ต้องหยุดรถก่อนใช่ไหหยุดแล้วก็อยู่เทินแล้วก็กลับไปในทางที่ดี ยังถ้าเราคิดไปในทางที่ไม yes. oh. oh. ่ดีเราก็ต้องหยุดมันก่อนใช้พุทโธหยุดมันก่อนพอมันจะคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธเปจนกว่ามันจะหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วก็สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีแทนแล้วต่อไปมันก็จะคิดไปในทางที่ดีได้ตอนต้นต้องใช้พุทโธก่อนพอมีพุทโธหยุดคิดแล้วก็ใช้ปัญญาสอนววิธีคิดดีคิดยังไงคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอด ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ถ้ามันคิดอย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่อยากได้อะไรมันก็จะไม่ไปทําบาปคนที่ทําบาปเพราะอยากได้เพราะคิดว่ามันเป็นสุขคิดว่าเป็นของเราคิดว่าจะอยู่กับเราไปนานๆพอคิดอย่างนั้นมันก็อยากได้พอมันหาด้วยวิธีสุดจริลุไม่ได้มันก็ไปหาด้วยวิธีทุตจะหลุดมันก็เลยไปคิดไม่ดีไปทําบาปเราต้องหยุดความคิดที่ไม่ดีด้วยการใช้สติหยุดหนะ ไดพพุโุพธโธธยคำถามจากคุณชนะตนเมื่อก่อนจะมาภาวนารู้สึกหดหู่และกลัวความมืดในตอนเย็นๆค่ำๆพอภาวนาไปได้ระยะหนึ่งไม่กลัวแล้วรู้สึกว่ากลางวันกลางคืนไม่แตกต่างกันเกิดจากจิตใจเราเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหมคะถูกแล้วใจเราหลอกเราเองพออะไรมืนหน่อยก็คิดไปต่างๆนานาว่ามีโน่นไอ้นู่นไอ้นีหนหนหนหน่หลบ ซ่ออยู่ตรงนั้นช่อนอยู่ตรงนี้นอนอนพอมันมืนแล้วมันก็จะออกมาทําร้ายเราละมันหลอกเราพอใจแล้วไม่คิดใจแล้วสงบมันก็อะไรไม่มีความรู้สึกกลัวก็หายไปคําถามจากคุณละัสะเล ข, ขนาดนั่งสมาธิรับบริกรรมคําว่าอัตถิแล้วกําหนดเห็นโครงกระดูกไม่เห็นกายเห็นแต่โครงกระดูกแบบนี้ควรภาวนาต่อไปหรือไม่ครับควรถ้าเราเห็นกระดูกได้ดี แล้วไม่เฉพาะเห็นแต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเวลาเราออกจากสมาธิมาเวลาเราเห็นร่างกายเราก็ต้องให้เห็นโครงกระดูกด้วยเห็นร่างกายของคนอื่นก็ให้เห็นโครงกระดูกด้วยเพราะมันจะทําให้เราตัดการมาลาคะได้ตัดการมารมได้ตัดความกลัวตายได้เพราะเรารู้วต่อไปในที่สุดร่างกายมันก็จะเหลือแต่โครงกระดูกเอาเวลาตายไปแล้วไม่ได้เผาปล่อยไปให้มันเน่าเปื่อยเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเน่าเปื่อยหายไปหมด ส่วนที enfin ่จะเหลือก็แค่โครงกระดูกนี่เองถ้าเราเลึกถึงโครงกระดูกได้ตลอดเวลานี่เราจะมีปัญญาเราจะไม่หลงรักร่างกายของใครร่างกายของเราเราก็ไม่หลงรักร่างกายของคนอื่นแล้วก็ไม่หลงรักเราก็ได้ไม่ต้องมาทุกกับร่างกายของเราหรือไม่ต้องทุกกับร่างกายของคนอื่นอีกต่อไปเพราะรู้ว่าในที่สุดมันก็โครงกระดูกดีๆนี่เองอย่างที่วัดหนึ่งนี่เขามีโครงกระดูกแขวนไว้อยู่ที่ศาลาแล้วมีป้ายติดไว้ว่า ข้าพเจ้าคืออนาคตของพวกท่านพวกท่านเป็นอดีตของข้าพเจ้า <c oughs> เป็นปริศนาทาให้เราไปคิดดูเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเราเป็นอดีตของเขาเมื่อก่อนเขาก็มีร่างกายมีเนื้อมีหนังคุมกระดูกแต่ตอนนี้เนื้อหนังหายไปหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนเขาเราเป็นอนาคตของพวกเธอนี่แเป็นคติที่ดีสอนให้เรา มีมรณานุสติสอนให้เราเห็นหนักสุภะเห็นร่างกายนี้มันไม่สวยงามหรอกเพียงแต่มีหนังหุ้มห่อปกปิดไอ้โครงกระดูกนี้เท่านั้นเองถ้าเราไม่มีหนังหรือหนังมันใสเหมือนถุงพลาสติกนี้จะไม่มีใครลักใครหรอกน้าใไหมครับถามจากคุณมนุษย์คือส่วนหนึ่งเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไรครับก็ต้องหาความกลัว ไปหาสถานที่มันทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาเรามีสองวิธีวิธีแรกก็สวดมนต์บริกรรมพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วสวดมนต์ไปไม่คิดถึงสิ่งที่ทําให้เรากลัวความกลัวก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเราไปคิดมันก็จะกลัวใหม่อันนี้เป็นการแก้ขั้นต้นก่อนแก้วิธีง่ายๆเคยใช้สติแก้ ให้มีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับบทสวดมนต์ไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งที่เราคิดว่ามันกําลังน่ากลัวพอเราไม่คิดความกลัวก็จะหายไปพอหายกลัวแล้วขั้นที่สองก็ให้มาใช้ปัญญาคิดต่อว่าร่างกายนี้ยังไงเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายถ้าอยู่ที่นี่ถึงเวลามันจะต้องตายก็ยอมตายดีกว่าถ้ายอมตายแล้วก็จะไม่ทุกข์ พอปองได้ว่าอย่างมากก็แค่ตายถ้าเรายอมรับความตายได้ความกลัวก็จะหายไปหมดเราจะไม่กลัวอีกต่อไปจะไปอยู่ที่ไหนเวลาไหนที่ไหนจะไม่กลัวอะไรเพราะยอมตายแล้วพร้อมที่จะตายทุกเวลาอันนี้ก็เป็นปัญญาคําถามจากคุณสิรเพนคนที่ไปปฏิบัติธรรมเพื่อขอแลกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกต้องในทางพูทธไหมคะ ไม่เข้าใจมีมีที่แรกด้วยเลยรน่าจะเป็นขอพรอะไรองย้อ น, นอ่าคือการปฏิบัติธรรมมันมีพรมันมีพรในตัวแล้วไง ม, มีมีผลในตัวแล้วผลก็คือพรต่างๆที่เราต้องการน่ความสิ้นทุกความหลุดพ้นจากการเย็นว่าตายเกิดความสุขความเจริญเนี่ยมันเป็นผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วจะขอไม่ขอมันก็ได้ไมันกินข้าวเนะี่ยกินข้าวแล้วต้องขอให้อิ่มป่ะ ไม่ต้องขอใช่ไหมกินเข้าไปแต่เดี๋ยวถึงเวลามันก็อิ่มเองมันเป็นผลที่เกิดจากการกระทําังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปขอคำถามกับคุณเดมจานั่งสมาธิแล้วรู้สึกถึงความกว้างๆสลับกับความรู้รู้ถึงเคลื่อนไหวของทรงอกจากการหายใจหนูควรพิจารณาอยู่กับอะไรคะมันรู้สึกเห็นสลับกันไปมา ก็หนูเริ่มต้นด้วยอะไรละ่ะถ้าหนูใช่ลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจไปอย่างเดียวถ้าพุโทโธก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับอย่างอื่นเพรไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะหลงนะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อไปแต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวจิตมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความมหัศจรรย์ใจเข้าสู่แดงที่เราไม่เคยเข้าไปคือโลกทิพย์ นั่งสมาธินี้เพื่อดึงใจให้กลับเข้าไปในโลกทิพย์ตอนนี้ใจเรามาทางโลกทางรูปเสียงกลิ่นรสเราต้องใช้สติดึงมันเข้าไปในโลกทิพย์ถ้ามันดึงออกจากโลกนี้ได้แล้วเข้าไปในโลกทิพย์ได้ร่างกายจะหายไปแล้วใจก็จะเลือแต่ตัวรู้แล้วก็จะมีความสุขความมหัศจรรย์ใจเกิดขึ้นม า, างั้นเวลานั่งอย่านั่งโดยที่ไม่มีสติกำกับใจต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีพุทโธพุทโธเมื่อมีลมหายใจ ดูลมหายใจแล้วเวลาดูไปหรือบริกรรมพุโทโธไปเวลาใจไปสนใจเรื่องอื่นก็ต้องดึงกลับมาอย่าปล่อยมันไปถ้าปล่อยไปแล้วเหมือนรถไฟที่มันวิ่งออกนอกนอกรางเดี๋ยวมันก็ล้มเดี๋ยวก็พังต้องให้มันอยู่ในรางรถไฟตลอดเวลาต้องให้มันอยู่กับพุโทโธไปต้องอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปกัน คำถามจากคุณพอนิภาค่ะฝึกนั่งสมาธิมาหลายปีตอนแรกๆที่ฝึกจะมีเวทนามากๆเจ็บปวดไปทั่วร่างกายแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอาการเหล่านั้นนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่มีอาการทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะก็มีสองอย่างหลับหรือเปล่าถ้านั่งหลับมันก็ไม่มีอาการอะไรนะสองถ้ามันสงบมันก็ไม่มีอาการถ้าอยากจะให้มันเจ็บก็บางทีก็ต้องดึงมันออกจากความสงบ ต้องนั่งแบบในท่าที่ไม่สบายนั่งขัดสมาธิหลังให้มันตรงถ้าหลังงอนี่มันสบายบางทีมันจะไม่เกิดตาจิตมันสงบมันจะไม่เกิดเรนต้องอย่าให้มันสงบเต็มที่ให้มันรับรู้ร่างกายรับรู้อาการของร่างกาย <น Turn. S 1> เดี๋ยวนั่งไปลองนั่งถ้านั่งขัดสมาธิมันไม่ไม่เจ็บลองนั่งพับเพียบดูก็ได้ meetings. ลองนั่งพับเพียบแล้วทาหลังให้ตรงนั่งไปสักพักเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บละ Oz 有有네คำถามจากคุณบุกไก่นั่งสมาธิแล้วท่องพุทโธดูลมหายใจนั่งไปจนรู้สึกว่าลมหายใจหายไปแต่ไม่ได้สนใจจิตสงบดีแต่หลังจากออกจากสมาธิแล้วรู้สึกว่าไม่มีขาเลยค่ะแบบนี้ควรพิจารณาอะไรต่อเจ้าคะก็ดูเสียนี้หรือเปล่าความรู้สึกกับความจริงมันหลอกกันได้อย่าไปเชื่อความรู้สึกให้ดูความจริง มันบอกไม่มีขาแล้วดูซิยังมีขาอยู่หรือเปล่าก็เท่านั้นเองก็รู้ว่าความรู้สึกมันหลอกเราอย่าไปเชื่อความรู้สึกให้เชื่อความจริงทาต่อไปก็พิจารณาร่างกายว่าต่อไปร่างกายนี้มันก็จะต้องตายไปจะต้องกลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นโครงกระดูกไปพิจารณาความตายบ่อยๆเพื่อให้ยอมรับความตายให้ได้รับได้แล้วใจจะไม่ทุกข์กับความตายอีกต่อไป อีกหนึ่ ง, งคำถามคำถามจากคุณนักการถ้าเป็นโสดาบันชาติที่แล้วกลับมาเกิดชาตินี้จะเป็นโสดาบันหรือไม่อ๋อว่าเป็นถ้าเป็นแล้วก็เป็นจ ะ, จะไม่เสื่อมจากใจก็จะมาทําต่อจะมาพิจารณาสุภาพต่ อ, อเพื่อจะได้เป็นพระสกิราคามีพระอนาคามีต่อไปตามลําดับเพราะไม่กลัวตายแล้วไม่กลัวเจ็บอยู่แล้ว ไม่ลักตัวกลัวตายแต่ยังรักชีวิตยังรักความสวยงามของคนอื่นอยู่ยังรักร่างกายที่สวยงามอยู่ยังอยากได้เขามาเป็นแฟนอยู่ดังนั้นก็ต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เรารักให้เห็นในส่วนที่ไม่สวยงามเพื่อเราจะได้ไม่รักเขาต่อไปเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพิจารณาไปปฏิบัติ